ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคันธารำพะข้าพเจ้าพระสารีบุตรเถระชาวรังกาขอนอบน้อมนวัการซึ่งพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายจักรรวบรวมข้อวินิจฉัยที่พ้นจากลำดับพระบาลี ซึ่งกระจัดกระจายในที่ต่างๆไว้ในที่เดียวกันไม่ให้สับสนเพื่อความเป็นผู้ฉลาดในพระวินัยแก่พระโยคาวจรทั้งหลายคาถามาติกามีส5สิหเรื่องใหญ่การนอนกลางวันบริขารการทำเภสัชพระปริ์การปฏิสันฐานวิญยัตการสงเคราะห์ตระกูล ปลาและเนื้อวัตถุอนามาการอธิษฐานและวิกัปการอยู่ปราศจากไตรชีวรการเก็บงาสิ่งของของสงการถึงการแลกเปลี่ยนการรับปรูพยะการน้อมลากกับด้วยการให้การถือเอาด้วยวิสาสะการขุดแผ่นดินการท่าปูตะคาม การนอนร่วมกับอนุสัมบัญและมาตุคามการลาดเครื่องนอนในวิหารของสงแล้วหลีกไปการลิกสี่อย่างกัรปิยภูมิสี่การรับประเคีนขาดนิยะเป็นต้นการห้ามพัดการบรรพชานิสัยสีมาอุโบโสถและปะวารณาการเข้าพรรษาวัด การแจกปัจจัยสี่กระถินครุพัน์วนิชัยการโจ์เป็นต้นการออกจากครุกาบัตสังฆกรรมต่างๆปกินกะอีกหกสิบแปดเรื่องย่อยๆดังนี้ข้อที่หนึ่งิวาสิยะวินิชยะกถากถาวินิชัยว่าด้วยเรื่องการนอนกลางวัน นำมาจากอัตถกาถาสมันตปาปาสาทิกาปฐมปาราชิใกในเรื่องการนอนกลางวันนั้นบอทว่าลิวาเสยยาได้แก่การนอนในเวลากลางวันในเรื่องการนอนกลางวันนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้พิกสูผู้จะนอนกลางวันเพิ่งปิดประตูแล้วจึงค่อยนอนเพราะมีพระบาลีตรัสไว้ว่าดูก่อนพิกสูทั้งหลาย เราอนุญาตให้พิสุผู้จะพักผ่อนในเวลากลางวันปิดประตูก่อนจึงจะพักผ่อนได้อันหนึ่งในพระบาลีนั้นถึงพระผู้มีพระพาเจ้าไม่ตรัสไว้ว่านี้เป็นอาบัตแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นเมื่อเรื่องเกิดขึ้นเพราะโทษคือการเปิดประตูแล้วนอนท่านพระอาตกถาจาร์ปรับเป็นอาบัติทุกกฎไว้ในอัตกถา แต่ภิกษุผู้ไม่ปิดประตูแล้วนอนเพราะพระผู้มีพระพาเจ้าอนุญาตให้ปิดประตูแล้วนอนจึงอยู่พระเถระทั้งหลายมีพระอุบาลีเถระเป็นต้นทราบพระพุทธประสงค์แล้วจึงตั้งอาตกถาไว้ก็คำที่ว่าเป็นทุกข์กฎแต่ภิกษุผู้ไม่ปิดประตูเสียก่อนนี้สําเร็จแล้วแม้ด้วยคํานี้ในคำผีปริวาร น, นี้ว่า มีอาบัติอยู่ที่พิกิตต้องในเวลากลางวันไม่ต้องในเวลากลางคืนถามว่าประตูเช่นไรควรปิดประตูเช่นไรไม่ควรปิดตอบว่าประตูเวียนที่เขาเอาบรรดาวัตถุชนิดใดชนิดหนึ่งมีไม้เลียบไม้ไผ่เลียบเสื่อลำแพนและใบไม้เป็นต้นทำเป็นบานประตูแล้วสอดลูกล้อคลกไว้ตอนล่าง และห่วงบนไว้ตอนบนนั่นแลควรปิดประตูชนิดอื่นเห็นปา น, นี้คือประตูริมสลักไม้และประตูหนามมีที่กั้นฝูงโครประตูล้อเลื่อนสําหรับกั้นในบ้านประตูแผงเลื่อนที่เขาทําประกอบลูกล้อสองสามอันไว้ที่แผ่นกระดานหรือที่กันศาสตร์ประตูแผงลอยที่เขาทํายกออกได้เหมือนอย่างในร้านตลาด ประตูลูกกลงที่เขาร้อยซี่ไม้ไผ่ไว้ในที่สองสามแห่งทำไว้ที่ฟันนักุดีคือกระท่อมใบไม้ประตูม่านผ้าไม่ควรปิดก็ประตูม่านผ้าชนิดเดียวเท่านั้นไม่ทำให้ต้องอาบัตประตูอย่างอื่นนี้ก็ทำให้เป็นอาบัตส่วนประตูม่านผ้าชนิดเดียวไม่มีอาบัตเพราะว่าไม่มีลูกล้อไม่มี ตัวที่จะหมุนไปมาก็คือครบกระเดื่องอะไรต่งางๆในเวลาที่พิกษุมีบาทที่มือผลักบานประตูเมื่อผลักประตูที่เหลือต้องอาบัติแต่ประตูเวียนนั่นแหละทาให้ต้องอาบัดแก่พิกูจนผู้พักผ่อนในกลางวันประตูที่เหลือเมื่อพิกูจนผู้ปิดก็ตามไม่ปิดก็ตามแล้วจําวัดอาบัดหามีไม่ แต่ควรปิดเสียก่อนจึงจำวัดข้อนี้เป็นธรรมเนียมถามว่าก็ประตูเวียนย่อมเป็นอันปิดดีแล้วด้วยเหตุมีประมาณเท่าไหร่ตอบว่าเมื่อใส่ลูกดานและลิ่มสลักแล้วก็เป็นอันปิดด้วยดีทีเดียวอีกประการหนึ่งเมื่อใส่เพียงลูกดานแล้วจะพักจำวัดก็ควรเมื่อใส่เพียงลิ่มสลักแล้วจะพักจำวัดก็ควร เมื่อปิดพอให้บานประตูจดกันแล้วจะพักจำวัดก็ควรเมื่อปิดประตูแง้มไว้แ น, น้อยแล้วจะพักจำวัดก็ควรด้วยวิธีอย่างหลังที่สุดแม้เมื่อปิดประตูแง้มไว้ขนาดพอศีรษะสอดเข้าไม่ได้จะพักจำวัดก็ควรชะนี้แหละก็ลดย่อนลงมาเรื่อยๆแม้ไม่ใส่กรอนประตูก็จำวัดได้นะแต่ว่าให้มีการปิด เพื่อที่จะให้มีสติสัมปชัญญะนั่นเองรู้ว่ามีพระบัญญัติวินัยข้อนี้ไว้ด้วยถ้าสถานที่นั้นเป็นที่ใช้ของคนหมู่มากแม้จะพูดกับพิกษุหรือสามเณรว่าอาวุโสผู้มีอายุจงช่วยกันรักษาประตูแล้วจำวัดก็ควรถ้าแม้จะทำความผูกใจไว้ว่าพิกษุน์ทั้งหลายผู้นั่งทำจีวรกรรมหรือกิจอะไรอย่างอื่นอยู่ เธอเหล่านั้นจะช่วยรักษาประตูนั่นดังนี้แล้วก็จําวัดอย่างนี้ก็ควรด้วยส่วนในอาตมาฐากุรุนีท่านกล่าวว่าจะบอกแม้กับอุบาสกหรือจะทําความผูกใจไว้ว่าอุบาสกนี้จะช่วยรักษาเราจําวัดก็ควรจะบอกภิกษณุณีหรือบอกมาตุคามอย่างเดียวไม่ควรเพราะว่าเป็นเหตุต้นเรื่องเพิ่งสงุนอนเปิดประตูไว้ก็เลยถูก มตุคามประตุสลายเอาคาที่กล่าวไว้ในกรุนดีนั้นชอบแล้วบัณฑิตพึงถือเอาเนื้อความในที่ทั้งปวงด้วยอาการอย่างนี้ว่าเทระวาดหรืออัตฉกายใดก็ตามที่ถูกกล่าวไว้ทีหลังเทระวาหรืออัตถกิานั้นเป็นประมาณหมายถึงว่าถ้ามีการวิชัยหลายครั้งหลายความเห็นเอาความเห็นหลังที่สุดเป็นประมาณ ถ้าลูกล้อหรือห่วงบานประตูเสียหายไปหรือไม่ตั้งอยู่จึงไม่อาจจะปิดได้ก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่นวักกรรมเขาทำกองอิฐหรือกองดินเหนียวเป็นต้นไว้ภายในประตูหรือผูกนั่งร้านไว้โดยที่ไม่อาจจะปิดประตูได้แม้เมื่อมีอันตรายเห็นป่านนั้นแม้จะไม่ปิดประตูพักจำวัดก็ควร ก็ถ้าไม่มีบานประตูเป็นอันได้ข้ออ้างแท้ถ้าไม่มีประตูก็ไม่ต้องปิดเพราะฉะนั้นนอนกลางวันไม่ได้ปิดประตูตรงนี้ก็ไม่มีอาบัดเพราะว่าไม่มีประตูให้ปิดเมื่อจะจําวัดข้างบนควรยกบันไดไม้ขึ้นไว้จึงจําวัดถ้าบันไดไม้มีไม้สำหรับกั้นไว้ควรกั้นไว้จึงจาวัดเมื่อจะจาวัดในห้องจะปิดประตูห้อง หรือประตูหน้ามุกอย่างใดอย่างหนึ่งไว้แล้วจาวัดก็ควรถ้าที่ข้างทั้งสองในเรือนมีฝาด้านเดียวเขาทําใช้หลายประตูควรรักษาทั้งสองประตูถ้ามีประตูหลายบานก็ต้องปิดทั้งหลายหลายบานนั้นนะนะในปราสาทแม้สามชั้นควรรักษาประตูเดียวเท่านั้นก็คือประตูชั้นล่างหรือว่าประตูชั้นไหนก็ได้ ถ้าพิถุมากรูปกรับจากเที่ยวพิขาจาร์เข้าไปยังประสาทเช่นโลหะประสาทเพื่อพักผ่อนกลางวันพรังมีเถระควรสั่งผู้รักษาประตูว่าเธอจงช่วยรักษาประตูหรือจะทำความผูกใจไว้ว่าการรักษาประตูเป็นภาระของนายทวารกบาลก็คือผู้รักษาประตูนั่นแล้วพึงเข้าไปจาวัดเถิดพิถุทั้งหลายควรทาอย่างนั้นเหมือนกัน จนถึงพระสังฆนวกะก็คือแค่ผูกใจเอาไว้อันนี้ก็ไม่มีอาบัติเลยนะเพราะว่ามีสติเพราะฉะนั้นอาบัติข้อนี้เป็นเพราะหลงลืมสติผู้ที่เข้าไปก่อนแม้จะทำความผูกใจไว้อย่างนี้ว่าเกินชื่อว่าการรักษาประตูเป็นภาระของผู้มาภายหลังดังนี้ก็ควรเมื่อพิสูจ์ไม่สำการบอกเล่าหรือความผูกใจไว้แล้วพักจําวัดภายในห้อง ที่ไม่ได้ปิดประตูหรือภายนอกห้องเป็นอาบัติแม้ในเวลาจำวัดในห้องหรือในภายนอกห้องทำความผูกใจไว้ว่าขึ้นชื่อว่าการรักษาประตูในประตูใหญ่เป็นภาระของนายทวารบาลดังนี้แล้วจำวัดก็ควรเหมือนกันแม้ปิกษุผู้จำวัดที่พื้นอากาศคือดาดฟ้าในสถานที่มีโลหะปราสาทเป็นต้นก็ควรปิดประตูทีเดียว ก็ในเรื่องเปิดประตูจำวัดนี้มีความสังเกตดังต่อไปนี้การพักข่อนในกลางวันนี้ท่านกล่าวไว้ในสถานที่มีระเบียงซึ่งล้อมด้วยกำแพงหรือรั้วอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอันที่สุผู้จะจำวัดในที่แจ้งหรือโคนต้นไม้หรือมณฑปที่ใดที่หนึ่งซึ่งมีระเบียงควรปิดประตูเสก่อนจึงจำวัด ถ้าเป็นบริเวณใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ชุมนุมของคนหมู่มากเช่นลานมหาโพและลานโลหประสาทซึ่งมีประตูแม้ที่ปิดแล้วก็ไม่ตั้งอยู่ในฐานที่ปิดหรือปิดก็เหมือนกับไม่ได้ปิดถึงกับชนทั้งหลายเมื่อไม่ได้ประตูถึงต้องเที่ยวปีนกำแพงไปในสถานที่นั้นไม่มีกิจที่จะต้องปิดประตูทิ้งสู่เปิดประตูจําวัดตลอดคืน ลุกขึ้นแล้วในเวลารุ่งอรุณไม่เป็นอาบัติถ้าลุกขึ้นทันในรุ่งอรุณแต่ถ้าตื่นแล้วหลับอีกเป็นอาบัติส่วนทิษุรูปใดกำหนดไว้ทีเดียวว่าเมื่อรุ่งอรุณแล้วจกลุกขึ้นไม่ได้ปิดประตูจำวัดตลอดคืนแต่ลุกขึ้นทันตามกำหนดนั่นเองทิษูรูปนั้นเป็นอบัติทีเดียวส่วนในมหาปัญจริยท่านกล่าวไว้ว่า เมื่อจาวัดด้วยอาการอย่างนั้นไม่พ้นจากทุกข์กดเพราะไม่เอื้อเฟือ้อส่วนพิสุใดรักษาพยาบาลพิสุอาพาสเป็นต้นหลายราตรีทีเดียวหรือเดินทางไกลมีร่างกายอิดโรยทั้งวันนั่งบนเตียงแล้วยังไม่ทันยกเท้าพ้นจากพื้นดินเลยก็จำวัดหลับเพราะอำนาจความหลับก็ถึง่วงจัดพิกสุนันไม่เป็นอาบัต ถ้าเธอเก้าวลงสู่คำหลับทั้งไม่รู้สึกตัวพอยกเท้าขึ้นสู่เตียงก็เป็นอาบัตทีเดียวเมื่อนั่งพิงหลักไม่เป็นอาบัตอีกอย่างหนึ่งพิสษุรูปใดเดินจงกรมด้วยตั้งใจว่าจับันเทาความง่วงแล้วลม้มลงรีบลุกขึ้นทันทีแม้พิกษุรูปนั้นก็ไม่เป็นอาบัตส่วนพิสษุรรูปใดลม้มลงแล้วนอนอยู่ในสถานที่นั้นนั่นเองไม่ยอมลุกขึ้น พิสูรรูปนั้นเป็นอาบัตอันนี้ก็ต้องหมายถึงจงกรมในห้องในสถานที่มีประตูถามว่าใครย่อมพ้นจากอาบัตใครย่อมไม่พ้นตอบว่าในมหาปัญ จ, จรียท่านกล่าวไว้ก่อนว่าผู้ที่จำวัดโดยพับแต่ข้างเดียวนั้นแลย่อมพ้นส่วนที่ยกเท้าพ้นจากพื้นดินแล้วจําวัด จะเป็นผู้ที่ถูกยัดเข้าสิงก็ตามเป็นผู้ปราจากสัญญาก็คือหมดสติก็ตามย่อมไม่พ้นในอัตถกถากรุนทีท่านกล่าวไว้ว่าผู้ที่ถูกมัดให้นอนเท่านั้นย่อมพ้นต่วในมหาอัตถกถาพระมหาปุมเถร ะ, ถระกล่าวไว้ว่าทิุรูปใดเดินจงกรมอยู่สลบล้มลงแล้วหลับอยู่ในสถานที่นั้นนั่นเอง อาบัตย่อมไม่ปรากฏแก่พิสูรรูปนั้นเพราะไม่ใช่วิสัยของพิกูุรูปนั้นแต่พระอาจารย์ทั้งหลายมิได้กล่าวไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นอาบัติทีเดียวส่วนพิสูสองรูปคือผู้ที่ยักเข้าสิงหนึ่งผู้ที่ถูกมัดให้นอนหนึ่งย่อมพ้นจากอาบัติแท้แลก็อเอาวินิจฉัยสุดท้ายนะก็คือผู้ที่ยักเข้าสิงผู้ที่ถูกมัดให้นอนไม่มีอาบัติ แต่ถ้าจงกรมแล้วล้มลงพับอยู่ในที่นั้นไม่ยอมลุกอันนี้ก็มีอบัติด้วยนะจบคะถาวินิจฉัยเรื่องการนอนกลางวันในบาลีมุตตะวิเนยะวินิจฉัยสังฆะ